เดือนบรรลุธรรมเดือนที่หวันที่สิบห้าถึงส7สัมมากรรมันตะการถือศีลห้าให้บริสุทธิ์นับว่าครอบคลุมทั้งองค์คือสัมมาวาจาข้างต้นรวมทั้งสัมมากรรมันตะในข้อนี้ด้วยแล้วเพราะส่วนของการกระทำชอบมุ่งเอาเพียงการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขาม่ได้ให และการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามช่วง3ามวันนี้ฉันสำรวจลึกเข้าไปถึงความนึกคิดภายในพบว่าแม้แต่ยุงหรือมดก็เห็นมันเป็นสัตว์โลกผู้ร่วมทุกข์ไม่มีแม้แต่ความคิดอยากให้พวกมันสาบสูญไปจากบ้านเพื่อไม่ต้องมาเกะกะสายตากันอีกจะกล่าวไปใหญ่ถึงความมุ่งร้ายคิดฆ่าแกงสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นมาสารวจอีกก็พบว่า แม้แต่สมบัติของตนยังอยากแจกใจ่ายให้เป็นสาธารณกุศลขอเหลือเพียงผ้าห่อพันกายกันอุจาดจะกล่าวไปใหญ่ถึงความโลภคิดเลงเอาของผู้อื่นมาเป็นสมบัติตนสำรวจอีกก็พบว่าแม้แต่ตรึกนึกทางการให้เกิดปฏิกิริยาให้ราคะร่วรถกายใจฉันก็ปัดตกไปด้วยอสุภะสัญญาอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้จะกล่าวไปใหญ่ ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาการหน้ามืดเอาเมีใครมาทําชู้อย่างไรก็ตามช่วงแห่งการสํารวจตนในความบริสุทธิ์แห่งสัมมากัมมันตะทําให้ฉันเกิดความรู้สึกสะอาดโล่งโปร่งสบายเป็นพิเศษจึงเห็นค่าของการสํารวจศีลประการหนึ่งคือเมื่อพบว่าตนบริสุทธิ์เมื่อใดเมื่อนั้นย่อมเกิดความอาจหาในธรรมะมีความมั่นคงมีความนับถือตนเอง มีความเชื่อว่าสามารถแต่ลำดับไปหาคุณธรรมที่สูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นทั้งนี้ในฐานะของผู้เจริญสติปัฏฐานยอมไม่ลุ่มหลงมัวเมาในนิมิตหมายภาวะสูงส่งที่บังเกิดขึ้นด้วยหลายคนติดอยู่กับความรู้สึกว่าตนสูงส่งโดยไม่รู้ตัวนั่นก็กลายเป็นฐานที่ตั้งอุปาทานแห่งใหม่ไปฉันจึงต้องเพิ่มการพิจารณาความชื่นใจความอิ่มใจ ความยินดีอันเกิดจากการสำรวจศีลไปด้วยเห็นปีติโดยความเป็นอนิจจังไม่ต่างจากปีติชนิดอื่นๆนั่นเองเจ็ดเดือนมลุธรรมเดือนที่6วันที่1 8ถึงสบเอ็ดสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนนั้นถ้ามองแบบลงลึกก็ค่อนข้างยากเพราะมีรายละเอียดมาก แต่ถ้ามองว่าเป็นการหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องโดยสุจริตก็ง่ายขึ้นหรืออาจมองแคบลงมานิดหนึ่งว่าเป็นอาชีพที่ไม่ต้องทำผิดศีลธรรมก็น่าจะชัดเจนดีจะด้วยความสืบเนื่องจากอดีตชาติหรือเพราะเหตุที่เลือกศึกษาไว้เหมาะสมในชาติปัจจุบันก็ตามทีฉันมีอาชีพการงานที่ไม่ต้องลำบากใจไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังทุจริคตคดโกงทั้งในระดับงานโดยรวมของบริษัท และในระดับตำแหน่งที่รับผิดชอบของฉันจะว่าเป็นเหตุลงตัวให้ปฏิบัติธรรมโดยไม่ลำบากทั้งกายใจก็ได้คือมีกินมีใช้มีเงินทำบุญแล้วก็นอนหลับสนิทไม่ต้องหวาเรื่องกฎหมายไม่ต้องกลัวใครฟ้องล้มละลายเพราะอยู่ในฐานะลูกจ้างที่ไม่ต้องรับความเสี่ยงอีกประการหนึ่งนิสัยการทำงานของฉันไม่ใช่คนปล่อยให้งานค้างค้างเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด จึงมีความสบายอกสบายใจเชื่อมั่นหนักแน่นในความสามารถเลี้ยงตัวได้ตลอดรอดฝั่งแบบผู้ใหญ่เต็มตัวไม่กังวลเรื่องปากท้องทั้งในปัจจุบันและอนาคตดวงจิตจึงปฏิบัติภาวนาโดยปราศ จ, จากความห่วงสวัสดิภาพและความมั่นคงในเส้นทางชีวิตที่กำลังดำเนินอยู่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เกี่ยวกับอรณียวณิชชา คือการค้าขายที่อุบาสกอุบาสิกาไม่ควรประกอบ5ประการได้แก่การค้าขายอาวุธเครื่องประหารการค้าขายมนุษย์การค้าขายเนื้อสัตว์การค้าขายน้ำเมาและสิ่งเสพติดและการค้าขายยาพิษพิจารณาเพียงจากจุดนี้ก็ทําให้ฉันสบายใจว่าตนปลอดจากมิจฉาอาชีวะเพราะโดยอาชีพไม่เกี่ยวข้องกับอาการณียวนิชาทั้งห้านั้นเลย เป็นอันว่าองค์มรรคข้อนี้ฉันผ่านโดยไม่ต้องเพียรพยายามอะไรเพิ่มเนื่องจากอยู่ในลู่ในทางมาแต่ก่อนเริ่มเจริญสติปัฏฐานแล้ว